พระธรรมตามพระใจปีดกครั้งที่90ก็คือรักษาคําพูดตั้งจิตเอาไว้ให้ดีไม่ทำบาปด้วยกายก็คือความดีมีอยู่สามทวารใช่ไหมก็คือความดีทางกายความดีทางวาจาและก็ความดีทางใจความดีทางกายเรียกว่ากายกรรมความดีทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรม ความดีทางใจเรียกว่ามโนกังความดีทางกายมีกี่อย่างมีสามอย่างนะหนึ่งสํารวมจากการฆ่าศักด์สํารวมจากการลักทรัพย์สํารวมจากการผิดในกลางและก็สํารวมทางวาจาอีกสี่อย่างสํารวมจากการพูดเ ท, ท็จพูดคําหยาบพูดเทอเจอร์และก็พูดส่อเสียดและก็สํารวมทางใจมีสามอย่าง น่สำรวมด้วยความไม่คิดเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นเท่าโดยผิดธรรมและก็ต่อไปก็ไม่โกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรกับบุคคลอื่นถึงกับแช่งชักหากระดูกและก็สุดท้ายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของตรรมมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตั้งอยู่ใน วาจาใจไว้โดยชอบอย่างนี้ไม่ทำบาปด้วยกายอยู่ครองเรือนอันมีข้าวและน้ำเป็นอันมากเป็นผู้มีศรัทธาอ่อนโยนจำแนกทานรู้ความประสงค์ชอบสงเคราะห์มีวาจาหน้าคบเป็นสหายแล้วก็มีวาจาอ่อนหวานผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม่พึงหวาดกลัวต่อประโลกเลยถ้าหากว่ากายกรรมนึกแล้วไม่น่ารังเกียจ ว่าจีกรรมนึกแล้วไม่น่ารังเกียจมโนกรรมนึกแล้วไม่น่ารังเกียจถามว่ายอมเคยรังเกียจสิ่งที่ตัวเองเคยทํามาไหมสิ่งที่ทําแล้วหน่ารังเกียจนะคําพูดใดๆก็ตามที่เราเคยพูดไว้แล้วน่ารังเกียจมีไหมความคิดใดๆที่มันน่ารังเกียจความคิดใดที่หวนระลึกนึกแล้วก็รังเกียจความประพฤติเหล่านั้นไม่ดีเลยความประพฤติเหล่านั้นไม่มีอ น, นิสงส์มากเลย ดูก่อนพระนางผู้ทรงพระเจริญบุคคลใดตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบแม้ด้วยทางกายก็ไม่ได้กระทำบาปต่างๆคือมาประพฤติยึดมั่นอยู่ในกุศ ล, ลกรรมมบท1ิบประการเหล่านี้เมื่ออยู่ครองเรือนอันมีข้าวและน้ำมากมายคือมีทยรยมเพียงพอประกอบด้วยความเชื่อมั่นว่าวิบากแห่งทานมีอยู่ผลของการให้ผลของการเสียสละมีอยู่นะ มีจิตอ่อนโยนได้เชื่อว่าเป็นผู้แจกจ่ายเพราะการจำแนกแจกทานอันได้นามว่าผู้รู้ถ้อยคําเพราะทราบถึงการให้ปัจจัยแก่เราบรรพชิตผู้ท่องเที่ยวไปเพื่อพิกษาพาการได้กล่าวว่าคื่ออธิบายว่าเพราะทราบวาทะชอบสงเคราะห์กันด้วยสังฆะวัตถุสี่ประการก็คือได้เชื่อว่าเป็นผู้มีวาจารณาคบเป็นสหาย เพราะว่าเป็นผู้ที่พูดวาจาที่น่ารักพูดวาจาอ่อนหวานก็เพราะว่าได้กล่าววาจาที่เป็นประโยชน์บุคคลนั้นตั้งอยู่ในกองคุณเหล่านี้คือมีประมาณเท่านี้เมื่อจะไปยังประโลกก็ไม่ต้องหวาดกลัวเลยพูดง่ายๆก็คือตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบททั้งสิบประการเรียกว่าตั้งอยู่ในมนุษยธรรมสิบประการก่อนอันดับแรก มนุสยธรรมก็คือกุศลกรรมมาบททั้งสิบประการนั่นเองกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามไอที่จะไปนรกขึ้นสวรรค์ก็ก็ไอกายกรรมนี่แหละจะว่าไปนะ่จะตกนรกก็ทำเอาอะจะตกนรกก็พูดเอาอะจะตกนรกก็เพราะคิดเอานั่นแหละแต่ถ้าหากว่าทำยังไงให้มันไปสวรรค์ได้ทำยังไงให ไม่ไปอบายพูดยังไงให้ไม่ต้องไปสู่อบายเป็นต้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาถามว่าใครไม่พูดบ้างมีไหมอ่าก็มีเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้วาจาแต่คนทั่วไปนี้พูดอยู่แล้วใช่ไหมเราพูดไมวันวันหนึ่งเราก็พูดกันอยู่เอ๊าถามว่าพูดยังไงแล้วจะได้ไปสวรรค์งานก็ไม่เสียด้วยก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิม เ, เราก็คิดอยู่แล้วใครไม่คิดบ้าง ไม่มีเพราะทุกคนก็คิดอยู่แล้วเอ๊คิดยังไงจึงจะไปสวรรค์น่าคิดนะเพราะว่าชีวิตของเราทั้งหลายก็ต้องเป็นไปกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอยู่ตลอดอยู่แล้วกายกรรมเช่นใดที่เป็นไปเพื่อสู่สุขติวจีกรรมเช่นใดที่เป็นไปเพื่อสู่สุขติมโนกรรมอย่างไรที่เป็นไปเพื่อสู่สุขติเพราะฉะนั้นเราศึกษาพระธรรมคําสอนเราก็พอที่จะรู้ได้ แล้วก็ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมมบททั้งสิบประการเหล่านี้ถ้าการให้ทานของเขาทานเหล่านั้น จ, จะเป็นทานที่มีผลมากเป็นทานที่มีอนิสงส์มากทราบเราไม่มากก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาบุญชนิดอื่นสักก่อเอาบุญชนิดกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่ดีเสร็จแล้วให้ทานนะของที่ให้จะมากก็าตามจะน้อยก็าตามผลแห่งบุญที่เกิดจากการให้เหล่านั้น ไม่มีน้อยเลยเพราะทายกหรือผู้ให้เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นผู้ที่มีศีลพระราชธิดาพอได้ฟังถ้อยคําของเท้าวส ก, กะอย่างนี้แล้วก็ชมเชยว่าข้าแต่เทพพระบุตรท่านพร่ำสอนข้าพเจ้าเหมือนมารดาบิดาโอ้ยท่านเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยนะมาสอนข้าพเจ้าเหมือนกับลูกน้อยข้าแต่ท่านผู้มีผิวพรรณงามยิ่ง ถ้าเราเนี่ยมีเทวดาสักองค์หนึ่งมาบอกที่ห้องอย่างนี้คงเชื่อเลยเนาะไมไม่มีเทวดามาบอกเราเลยแสดงว่าเราไม่ได้ทําสัญญากับใครไว้ข้าพเจ้าขอถามท่านท่านเป็นใครกันหนอมีร่างกายสง่างามยิ่งนะอู้วงามจริงๆเลยใครเนอะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนพระนางเจ้าผู้เลิโฉมข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าอุทยมาที่นี่ก็เพื่อต้องการจะปลดเรื่องข้อผูกพัน ข้าพเจ้าบอกพระนางแล้วจะขอไปละข้าพเจ้าพ้นข้อผูกพันของพระนางแล้วสัญญาที่เราเคยตกลงกันไว้เมื่อเจ็ดร้อยปีที่แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วนะวันนี้ก็มาแก้ข้อผูกพันข้อสัญญาที่เคยนัดหมายเอาไว้เพราะฉะนั้นขอลา ก, ก่อนเล่าว่าดูก่อนพระนางผู้พิศ ด, ดูหน้างดงามชมข้าพเจ้าในพบก่อนได้เป็นสามีของเธอนามว่าพระเจ้าอุทัยใช่ไหม บังเกิดเป็นเท้าส ก, กัดเกิดเป็นพระอินทร์ในเทวราชในดาวดึงสี่พบมาในที่นี้ไม่ใช่มาด้วยอำนาจกิเลสแต่คิดว่าจะทดลองเธอดูแล้วก็จะปลดเรื่องข้อผูกพันเป็นอันมาตามข้อผูกพันคือตามข้อตกลงที่ทำกันไว้ในการก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าได้บอกเธอแล้วจะขอลาไปข้าพเจ้าพ้นจากข้อผูกพันของท่านแล้วนัดกัรก็มาตามนัดแล้ว น, นะ พระนางเจ้าก็ทรงดีใจแล้วก็แปลงพระราชสวณีว่าทูลกำมอมพระองค์คือพระเจ้าอุทัยพัฒดังนี้แล้วก็มีพระกระแสพระอสุชนหลังไหลนะพอบอกว่าโอ้สามีมาเลยโอน้ำตาไหลพรราพร่ า, ร า, ราอ่ะนะแต่ว่าหมอมชันไม่สามารถจะอยู่ห่างพระองค์ได้จริงๆก็คิดถึงอยู่ตลอดนั่นแหละไม่รู้จะทายัางไงเพราะฉะนั้นขอพระองค์เนี่ยโปรดทรงท้มสอนหมอมชันตามที่หมอมชัน จะได้อยู่ใกล้ชิดพระ อ, องค์ด้วยเถิดเพคะทำยังไงนะจะได้ไปอยู่ด้วยกันอีกก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระราชส า, ามีถ้าหากว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอุทัยพัทเสด็จมานะที่นี้เพื่อต้องการจะปลดเปลื้องข้อผูกพันแล้วไซข้าแต่พระราชสวามีขอเชิญพระองค์เนี่ยจงโปรดพร่ำสอนหม่อมฉันด้วยวิธีที่เราทั้งสองจะได้พบเห็นกันอีกเถิดพระโพธิสัตว์เจ้าก็เลยพร่ำสอนนางว่า วัยล่วงไปรวดเร็วยิ่งนะักคือวัยเนี่ยวัยเนี่ยแปลว่าเสื่อมความเสื่อมนี้รวดเร็วจริงๆความเสื่อมนี้แบ่งออกเป็นสามขั้นด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่าปฐมวัยความเสื่อมในชั้นต้นสองมัชชิมวัยเสื่อมในชั้นท่ากลางและก็สามปชิมวัยความเสื่อมในวัยสุดท้ายความเสื่อมในวัยต้นนี่ก็รวดเร็วนะโอ้โหชีวิตของเราตั้งแต่เด็กมาจนอายุ ป, ป่านนี้เร็วเหมือนฝันเลยเนาะ แคปเดียวเองอะนะมาหกสิบเจ็ดสิบแล้วโอ้เหมือนฝันเอาเลยปั๊บเดียวเองเร็วจริงๆเลยโอ้แต่ว่าไกายกรรมเมจีกรรมที่มันพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันบุญบาปทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้าบาปถ้าเราไม่เจริญกุศลเยอะๆถามว่าบาปจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนล้วก็ต้องถามบา่อยๆเออเราก็พูดอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เราพูดเป็นบุญหรือเป็นบาปเออสิ่งที่เราคิดเนี่ยคิดอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเออถ้าบาปนะถ้าคิดบาปเยอะๆอย่างงี้นะถ้าต่อไปนะชาติหน้ามันทุกกว่านี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะ เพรเหตุเราทํำไปแล้วแต่ถ้าหาว่าเราสังวรสายใจนะโหนี่มันบาปทั้งนั้นเลยบาปบริสุทธิ์เอ๊ะทํำยังไงใจเราจะได้เป็นบุญบ่อยๆแล้วก็หาวิธีการที่จะเจริญกุศลถ้าเราศึกษาเรื่องเมตตาเป็นต้นเราก็สามารถที่จะเจริญกุศลในชีวิตได้อยู่แล้วบอกว่าอัยนี้ล่วงไปรวดเร็วยิ่งนะักใช่ไหมจากปฐมวัยแป๊บเดียวจนมาถึงมัชชิมวาวัยแล้วจากมัชชิวัยก็ปื๊ดเดียวไปจนถึงปัจฉิมวัยแล้ว แล้วปชิมอวัยจะอยู่ได้หรอือใช่ไหมส่วนใหญ่ปถมอวัยก็ผ่านมาแล้วมัชชิมอวัยก็ผ่านมาแล้วเหลือแต่ปัจชิมปัชิมเนี่ยวัยสุดแล้วถ้าเป็นดวงอาทิตย์นะตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยใครที่ดูนะว่าเออตอนนี้กี่โมงแล้วมันช่วงบา่าย้ะส่วนใหญ่เลยะเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตอนไม่ได้ขู่นะแต่เล่าให้ฟังว่าเหลือมาเยอะแล้วขณะก็เช่นนั้นเหมือนกัน ความตั้งอยู่ความยั่งยืนไม่มีอุปาทขณะประแปบเดียวถึงทิฏฐิขณะอุป า, า, าทิฏฐิพังคะกระืบเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้ความเป็นอนิจจังของเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ความเป็นทุกข์ความเป็นอ น, นัตตาของสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใช่ไหมสมมติว่าเอาโทษทีนะฟันของเรานะเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเดี๋ยวมันก็หลุด ใช่ไหมเส้นผมก็เหมือนการรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีผิวพรรณก็เหมือนกันเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเห น, เยนเียวเฉาไปเรื่อยแหละเดี๋ยวก็หมดไปเรื่อยสัตว์ทั้งหลายย่อมจุติเป็นแน่แท้อย่างนี้ก็ตายตายแ น, น, น่ใครลืมตายก็ไม่เป็นไรแต่ความตายไม่เคยลืมคนนั้นเลยนะสรีระนี้ไม่ยั่งยืนเสื่อมถอยดูก่อนพระนางอุทยพัทราทเธออย่าประมาทจงประพฤติธรรมเธอ เพื่นแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยทรัพย์ถ้าจะเพิ่งเป็นของของพระราชาแต่พระ อ, องค์เดียวไม่มีผู้อื่นครอบครองถึงกับนั้นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนักก็จะต้องทิ้งสมบัตินั้นไปในโลกนี้ถึงจะเป็นของเราทั้งหมดนะเราดูยังไม่ทันหมดยังไม่ทันอิ่มเลยก็ต้องจากไปใช่มหมยังไงก็ต้องจากอยู่แล้วดูก่อนพระนางอุทยพัทพราเธอจงยาประมาทจงประพฤติทธรรมเถิด มารดาบิดาพี่ชายพี่สาวน้องสาวภรรยาและสามีพร้อมทั้งทรัพย์แม้เขาเหล่านั้นต่างก็จะละทิ้งกันไปใครใครก็ต้องจากกันไปใช่ไหมก็เหมือนกับนางประตาจารากล่าวว่าสามีก็มาตายนี้จากลูกชายทั้งสองคนลูกนน้อยทั้งสองคนก็ตายนี้จากไปแล้ว พ่อแม่พี่ชายก็เผาอยู่ในเชิงตะกรเดียวกันตายนี้จากไปหมดเขาบอกว่าเมื่อความตายเข้ามาถึงแม้แต่ญาติสนิทมิตรสหายมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะฉุดยั้งรั้งกันอยู่ได้อย่าเพิ่งแนะรออีกแป๊บเนี่ยนะอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีอย่าเพิ่งตายเลยนะทมได้ไหมไม่มีใครผลัดวันประกรันพรุ่งกันได้เสดด้วยสตังก็ไม่ได้และต่อไปว่าดูก่อนพระนางอุทยภระธารา เธออย่าประมาทจงประพฤติ ธ, ธรำเถิดดูก่อนพระนางอุทยพัทราเธอพึงทราบว่าร่างกายนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นเพึงทราบเถิดว่าสุขคติและทุกคติที่ไปดีกับที่ไปไม่ดีในสงสารเป็นที่พักพิงชั่วคราวเธอจงอย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถิดเกิดเป็นมนุษย์กับพักเดียวเหมือนฝันไปเกิดเป็นเทวดาสวยภักเดียวก็เหมือนฝัน เกิดเป็นสัตว์นรกกาพักเดียวไอันนี้ฝันยาวหน่อยฝันร้ายเปิดเป็นเปรดก็เหมือนฝันหนะมันแป๊บเดียวแต่ละอย่างก็หมุนเวียนทั้งดีทั้งชั่วทั้งพบใดก็ตามแป๊บเดียวไม่มีความยืนยาวนานอะไรถ้าเกิดเป็นยุงว่าสักเจ็ดวันน่ะเนาะเกิดเป็นแมลงอีกกี่วันต้องไปดูว่าเกิดเป็นแมลงที่ไหนนะเกิดบางแห่งก็ฉีดยาเนะเพราะฉะนั้นสาตร์ทั้งหลายเคยได้ยินนะโลกอัญชรานําไปไม่ยั่งยืน โลกคือโลกอะไรโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกแห่งชีวิตของเราโลกคือผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเหล่านี้โลกเหล่านี้อันชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกไม่มีอะไรเป็นใหญ่ใช่ไหมมีใครเป็นใหญ่ไหมใหญ่จริงๆก็อย่าป่วยนะสั่งไม่ให้ป่วยได้ไหมยอย่างมากถ้าคนที่รู้จักหลักรักษาสุขภาพถึงจะรู้หลักขนาดไหนถ้าคนจะตายมันก็ตายรูปร่างกายของเรามีสมุทฐานเท่าไหร่ สี่อย่างนะกรรมจิตอุตุและอาหารถึงรู้หลักเรื่องอาหารอย่างเดียวก็ยังไม่พอจิตด้วยจิตอย่างเดียวอีกก็ไม่พออุตุด้วยอุตุอย่างเดียวก็ไม่พอต้องกรรมด้วยใช่ไหมแล้วกรรมนี่มีตั้งหลายชนิดด้วยกันมันกระแสวัฏฏะกระแสชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยปัจจัยตั้งหลายอย่างหาความแน่นอนได้ไหมแน่นอนอะ่ะแตกแน่แน่นอนของสังขารคือเที่ยงไหม ไม่เทีย่ยงสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยแน่นอนเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารเนี่ยแน่นอนจริงๆเลยใครว่าเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามเป็นความแน่นอนของธรรมะแต่ว่าไอ้ไม่แน่นี้บางทีมันไม่แน่มันอยู่ได้อีกห้าปีไม่แน่มันอยู่ดอยอีกสิบปีไอ้ความไม่แน่มันก็มีขอบเขตแต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นโลกไม่มีอะไรเป็นใหญ่ แล้วก็โลกเนี่ยจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปถึงสิ่งนั้นเราจะห่วงแหนมากขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปหรือบางทีนะเขาจากเราไปก่อนถึงเราจะห่วงแหนถึงเราจะเฝ้าหวังขนาดไหนเขาก็จากเราไปก่อนแต่บางคนนี่ก็เราเนี่ยจากเขาก่อนบางคนเนี่ยเขาก็จากเราก่อนหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ทั้งอย่างหรอกและก็โลกไม่รู้จักอิ่ม พร่องอยู right> e. ่เป็น sí นิดเป็นธาตุของตันหาใช่ไหมไม่พอแล้วตันหามันไม่เคยบอกว่าพอใครรู้โอ้พอแล้วพอเห็นแล้วไม่อยากเห็นอีกแล้วพอแล้วพอไหมไม่อยากได้ยินอีกแล้วอออืืไม่อยากหายใจอีกแล้วไม่อยากคิดอีกแล้วพอไหมไม่พอมันก็พร่องอยู่อย่างนี้ตลอดแหละเวทนาทางตามันก็พร่องเวทนาทางหูมันก็พร่องเวทนาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาเหล่านี้พร่องเป็นนิดเวทนาทั้งหมดเป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหาตัณหาก็คือความพร่องความพร่องอันนี it. It ้มาจากเวทนาเวทนาก็มาจากภาษาภาษาก็มาจากตานี่แหละมันเห็นเนี่ยพร่องอยู่ตลอดเลยสมมุติว่าเราไปเห็นเห็นฝานะเห็นใบเลยเออดีนะเราได้เห็นพอเห็นไปพักหนึ่งแหมสีนะถ้าเราเปลี่ยนสีอีกนิดหนึ่งคงงางงามพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยมันพร่องอยู่ตลอดแหละให้มันเต็มมันอิ่มไม่เต็มหรอกมันเหมือนกับแต่งหน้าทาปากนั่นแหละแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกไม่เห็นเสร็จสักทพี เสื้อผ้าก็เหมือนกันที่แรกเอยตัวนี้แหละงามแล้วมาล้างอีกบอกไม่พอเอาตัวใหม่ก็เป็นเรื่อยเรืยเรืยเรเหมือนกับทานอาหารวันนี้บอกอันนี้อร่อยที่สุดเลยพุ่งนี้เอาใหม่นะก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้มันพร่องอยู่ตลอดแต่คุณค่าสาระของสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงไหนให้ศึกษาเอาแล้วก็โลกเนี้ยอโลกคือกายาวาหนาเคลืบเนี่ยนะเหามันอยู่บนหัวมันก็บอกว่าของมันกันนะไอพญาติที่อยู่ในตับมันก็บอกของเขาเงินนะ มันเป็นอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาหารของเชื้อราเป็นอาหารของแบคทีเรียเป็นอาหารของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยพวกสิ่งเหล่านั้นเขาก็บอกว่าของเขาอ่ะอจะให้เราก็ยึดหลักของเราลองคิดดูนะไอ้นอนมันก็บอกว่าของมันเหมือนกันนะกายของเราก็เหมือนกันเชื้อโรคต่างๆเขาก็คิดว่าเป็นของเขาเราก็นึกว่าของเรามันก็มีแต่ความยึดถือเท่านั้นแหละแต่ร่างกายจริงๆอ่ะมันเป็นเป็นของใคร ร่างกายไม่ใช่ของใครหรอกร่างกายเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยประชุมพร้อมกายนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าปัจจัยหมดไปกายนี้ก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธออย่าประมาทนะประพฤษรมเธอพอินแนะนำภรรยาเขาอะนะเพราะฉะนั้นเธอจงเจริญมรณานุสติให้มันระลึกความตายบ่อย ให้เธอพิจารณารู้เธอว่าตันหาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอให้เธอพิจารณาว่าหมู่สัตว์นี้จะต้องพลัดพลาดจากกันและก็ให้พิจารณาอีกว่าสุขติคือที่เกิดของมนุษย์ทุกคติคือที่เกิดของสัตว์เดรัจฉานแม้ทั้งสองก็เป็นที่พักชั่วคราวถึงเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ชั่วคราวเป็นเทพก็เทพชั่วคราวของเหล่านี้มันเป็นสมบัติชั่วคราวทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ของใครจริงๆรหรอก ถามมันมีของใครจริงไหมอย่างแผ่นดินเหมือนกันแผ่นดินที่มีการคนละหลายๆไร่อย่างเงี้ยถามมันของใครอ่ะใครถือชนดของคนนั้นเอาแบบนี้โดยสมมติบัญญัติที่เป็นลักษณะของพวกเรานะเราบอกใครถือฉนดของคนนั้นแต่พวกยุงพวกมแมลงมันอยู่ในนั้นเขาบอกของเขาเหมือนกันนะใครไปเหยียบตรงนั้นดูสิกัดแน่นอนปล่อยให้มันกัดแน่นอนใครที่อาศัยก็ยึดเป็นของบุคคลเหล่านั้นถามจริงๆมันของใคร มันไม่มีของขายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นถ้ารูปนะรูปทั้งหมดเป็นอัพยาการตาธรร ม, มาตัวรูปไม่เป็นบุญเป็นบาปแต่อาศัยรูปเหล่านั้นเนี่ยก่อให้สัตว์ทั้งหลายมีใจที่เป็นบุญเป็นบาปเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นพระนางก็เลยทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของเท้าเธอก็เลยชมเชยว่าโอ้เทพบุตรท่านจังพูดดีจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนะัดทั้งลําเค็นทั้งนิดหน่อยประกอบไปด้วยความทุกข์หม่อมชั้น จะสละสุรุทนานาขแควนกาสีออกบวชโดยลําพังก็คือบอกโอ้ใช่แล้วชีวิตเนี่ยมันลําเคนมันเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยเป็นของไม่มากก็ถ้าชีวิตเนี่ยทั้งๆที่ลําเคและก็มันเป็นไปได้ตลอดกาลนานข้ อ, อยังชั่วหน่อยใช่ไหมแต่ก็เป็นของภาคเดียวสมัยแรกๆที่เกิดมาเนี่ยเรารู้จักปู่รู้จักญ้ารู้จักทวดอะไรเ ง, ไงไี้ยนะโอ้ยคนเหล่านั้นนี้จะหัไปแล้ว แล้วพอเรานึกถึงปู่เราให้เหมือนฝันเอานึกถึงย่าก็เหมือนฝันเอานึกถึงทวดก็เหมือนฝันเอาเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นหมดจากจบเส้นกันไปหมดแล้วมันไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนอะไรหรอกอันมาสแสดงด้วยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมอยู่ตลอดเวลาเหลือแต่รอยบุญและรอยบาปสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดจะเป็นบุญก็าตามเป็นบาปก็าตามคนอื่นรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามถามว่าบุญเหล่านั้นเนี่ยติดตามเราไปไหม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทาญาตพระโพธิสัตว์ก็ประทานโอาวาทแด่พระนางแล้วก็เสด็จที่อยู่ของพระองค์ตามเดิมฝ่ายพระนางนี้พอสว่างขึ้นมาเช้าขึ้นมาก็มอบราชสมบัติให้พวกอมตเราเลิกปกครองแล้วก็เลยบวชเป็นฤาษีศรีอยู่ในรา ช, ชุทยานก็ไปสร้างตำหนักเล็กๆอยู่ในสวนเสร็จแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ั้นประพฤติธรรมที่สุดแห่งอายุก็ไปเกิดเป็น บาทปริจาริกาของพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์นําเทศนามาแล้วก็ประกาศสัจธรรมความจริงที่สู่ผู้เบื่อนายก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอยากศึกไม่ศึกเลยฟังชาดกเรื่องนี้จบไม่ศึกเลยเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันก็ไม่ศึกแล้วแล้วพระองค์ก็เล่า ว, ว่าพระราชธิดาในครั้งนั้นก็เป็นมารดาของพระราหุลพระราชธิดาแบบเป็นคู่กันมาตั้งหลายชาติแล้วเนาะ เท้าสะกะเทวราชก็เป็นเราตถาคตถ า, าคาาคนนถามว่าองค์เดียวกันไหมพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์องค์นั้นเนี่ยถามว่าองค์เดียวกันไหมคือต้องเล่าในลักษณะความสืบเนื่องกันของชีวิตใช่ไหมชีวิตของเรากับสมัยเด็กๆถามว่าคนเดียวกันไหมถ้าคนเดียวกันหมดทําไมไม่เหมือนเก่าถ้าคนละคนไอ้ทาไมเขามันยังอยู่ก็คือมันเป็นความสืบเนื่องกันมากล่าวไม่ได้ว่าอันเดียว กล่าวไม่ได้ว่าแตกต่างแต่เป็นความสืบเนื่องกันของชีวิตฟังอีกสักชาดกหนึ่งนะเมเกเขาก็บรรลุไปแล้วของเราทรามีศรัทธาบ้างก็เอาละอีกเรื่องหนึ่งนะว่ามีครุขระมีผู้ชายไลยคนเป็นเพื่อนกันอยู่ในเมืองสาวัตถีประมาณห้าร้อยคนมันค้าๆกับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเป็นเหมือนกับบ้านเมืองของพวกเรานะเป็นนักเรียนรุ่นในรุ่นเนี้ยมีผู้ชายอยู่ประมาณ ห้าร้อยคนไอ้ห้าร้อยคนนี้ก็ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรพชาอุปสมบทอยู่ภายในโกธิตะสันฐานพอได้ศรัทธ า, าออกมาบวชสมัยก่อนเขาบวชกันเยอะนะพวกโยมผู้หญิงก็ไปโวยวายเลยบอกโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศให้แต่คนบวชทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ชอบใจเลย พ, พุทธเจ้าก็บอกเออแล้วเราไปบอกให้สามีพวกเธอมาบวชเลย อ, <c oughs> องค์ก็บอกเขาไม่ได้บอกอะไรเนี่ย <c oughs> เขามีศรัทธาเขาเอง <c oughs> เขาก็มีนะบางยุคบางสมัยก็บวชมากจริง คือเขาเห็นโทษทยของสังสารวัรและอีกอย่างหนึ่งท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีอุปนิาสัยเป็นชาติสุดท้ายอยู่แล้วทีนี้ตกเที่ยงคืนวันมานั่งคุยกันนะเพื่อนฝูงเสรจแล้วก็มานั่งคุยถึงกลางนิตกนะสมัยก่อนนะผมไปติดผู้หญิงบ้านโน่นอีกคนหนึ่งผมก็ บ, บ้านโน้นกันนั่งเล่ากันไปนะชวนกันอผมเนี่ยเคยไปทะเลาะ ก, กับพวกที่โน้นไว้แสรสรุปก็คือมานั่งเล่าประวัติด้วยกันในอดีตมานั่งกันโอ้ยคุยกันดึกดื่นเที่ยงคืนนั่นแหละ หนุ่มเจอกันนานๆก็หาแต่เรื่องอดีตกเก่าๆมานั่งคุยกันนะเล่าประวัติคุยกันพร่ำไปเรื่อยทีนี้ครั้งนั้นท่านพระอนนท์ก็ให้ภิกษุสอ์ประชุมกันโดยอานัดของพระผู้มีพระภาคคือเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้พระองค์ก็เลยให้ไป ร, รวมภิกษุประชุมกันพระศาสดา ก, ก็ประทับนั่งเนื้ออาสนะที่เขาจัดถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็มีได้กระทําการเจาะจงพระองค์ก็ไม่ตรัสพระองค์ไม่พูดอย่างนี้นะว่าพวกเธอพาการมาตรึกถึงการมวิตกแล้ว พระองค์ไม่ได้ตําหนิอะไรเลยนะโอ้ทาไมบวชเข้ามาแล้วไปปล่อยให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศลลักษณะตําหนิดูหมิน่นไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยแต่พระองค์ตรัสด้วยคามสามารถแห่งพระดํารัสที่จะสงเคราะห์แก่พิสูจทั้งปวงว่าดูความพิสูจนทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลส บ, บาปอากุศลเครื่องเศร้ามองแห่งจิตนี้เป็นของเล็กน้อยไม่มีล็อกใช่ไหมไอจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยไอยตัวบาปอากุศลเนี่ยเล็กน้อยไม่มี ธรรมดาว่าพิกษุต้องข่มกิเลสที่เกิดแล้วเกิดแล้วเสียถ้ากิเลสมันเกิดเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยแต่ถ้ามันเกิดประชั่งมันเธอต้องรีบข่มมันนะต้องรีบดับนะไฟมันไหมเนี่ยต้องรีบดับนะคล้ายกับในหน้าหนาวใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเป็นวัตถุแห่งเชื้อเพลิงอย่างดีถ้าเห็นไฟลุกพึบนิดหน่อยต้องรีบดับนะอย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยใช่ไหมไฟนี่ยอย่ามินว่าเป็นโอโหไฟเล็กน้อยจะไม่ไหมบ้านไม่เมือง พระราชาก็อย่าไปดูถูกว่าโอเนี่ยพระราชาพระองค์นี้ยังเยาว์เหลือเกินสั่งบาดหัวได้นะก็บอกว่าอสสรพิษงูพิษร้ายอย่าไปดูหมิน่นโอ้ยตัวเล็กน้อยมันจะไม่กัดตายทิสุก็เหมือนกันบางองค์ก็อย่าไปดูถูกว่าโอ้พระยังหนุ่มเมนรยังน้อยอะไรเงี้ยอย่าไปดูหมินเยียดยามท่านเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์บวชสมัยนั้นอายุสามสิบกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสาิบ้าเงี้ยโอ้บางคนเนี่ยดูหมินโอ้สมณะโคโดมยังหนุ่มน้อยเกินไประวังไง แต่เขาบอกว่า อ, อย่าไปดูหมินนะก็เปรียบเทียบของที่ไม่ควรดูหมิ่นอีกสามอย่างเพิ่มขึ้นมา <c oughs> ไอบาปอกุศลกิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกันที่มันเกิดในจิตของผู้ใดอย่าไปคิดว่าบาปอกุศลเหล่านี้เป็นของเล็กของน้อยแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดหยามปล่อยให้มันเกิดถ้ามันเกิดบ่อยๆเนี่ยโหแย่นะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าบัณฑิตในครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติต่างพวกข่มกิเลสทั้งหลายเสียแล้วก็บรรลุ ปัดเจกับพุทธิยานอย่างนี้แล้วพระองค์ก็นำอดีตนิทานมาตรัสดังต่อไปนี้ว่าในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยราชจะสมบัติในกรงพารณสีก็มีสหายอยู่สองคนในเมืองนี้มีเพื่อนกันสองคนในบ้านน้อยตำบลหนึ่งในแคว้นกาสีแล้วก็พากันถือกระออมน้ำดื่มไปสู่ไร่ในป่าคล้ายกับเป็นชาวสวนนะชาวไร่ชาวนาเนี่ก็ถือกระบอกน้าไปคนละอันคนละอัน เสร็จแล้วก็ไปวางไว้ไอกระบอกน้ําก็ไปวางไว้ในที่ข้างหนึง่งแล้วก็ฝันไร่ก็คือทําไร่กันทั้งคู่อ่ะใครมีจอบก็ใช้จอบนะใครมีขวานก็ใช้ขวานสับกันไปในเวลาตะหายน้ําก็พากันมาดื่มน้ําในคนสองคนนั้นคนหนึ่งเมื่อเก็บน้ําดื่มของตนเสียไอคนหนึ่งเนี่ยที่เหนียวใช่ไหมแอบซุกน้ําของตัวเองไว้ก่อนเลยแล้วก็ดื่มน้ําในกระออมของอีกคนหนึ่ง ไปแอบลักกินน้ําเพื่อนในน้าตัวเองแอบซ่อนไว้เคยหรือเปล่าไม่เคยก็ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะทีนี้ตกมาตอนเย็นออกจากป่าแล้วก็ยืนอาบน้ําก็สํารวจดูว่าเอ๊วันนี้นี่เราได้ทําบาปอะไรบ้างตอนเย็นมาเนี่ยก็มาอาบน้ําตรวจตัวเองพิจารณาเอ๊กายกรรมของเราที่เราเคยทํามาเป็นบาปเป็นอกุศลไหมวจีกรรมที่เราพูดมาเป็นบาปเป็นอกุศลไหมมนโนกรรมที่เราคิดผ่านมาเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลไหม แล้วก็พิจารณาในทางกายทางวาจาแล้วมีหรือไม่มีคนที่ขโมยนะก็มาตรวจดูเสร็จแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะที่เราขโมยน้ำของเพื่อนมาดืม่มก็เลยถึงความสลดจิตคิดว่าตัณหาไอ้ตัวโลภะนี่แหละไอ้ตัวดีไอ้ตัวที่ทำให้คิดขโมยของเพื่อนถ้าหากไอ้ตัวโลภะตัวนี้จเจริญคงจะโยนเราเข้าไปในอบายเป็นแน่แท้ คงจะโยนเราไปในนรกเปรตอสุรกายสับดิรฉานเป็นแน่แท้เราจะข่มกิเลสอันนี้เสียให้ได้แล้วก็กระทําการขโมยน้ําดื่มของเพื่อนที่ดื่มนั่นแหละให้เป็นอารมณ์แล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นอาศัยลักน้ํามาแล้วก็พิจารณาเพราะการขโมยน้ําเจริญวิปัสสนาทำปัจเจกระโพธิยานให้บังเกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงคุณที่ตนได้รับอยู่ เออพิจารณาถึงขโมยน้ํามาแล้วเป็นผ้าอารหันเลยอ่ะคนมีบุญก็เป็นอย่างนั้นแต่อย่างว่านะสังสมบารมีมาแล้วสองอสงไขยกเกษตรอีกแสนกับจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้านีชาติสุดท้ายของท่านสังเวชใจแค่ไปลักน้ําดื่มกระบอกเดียวอ่ะนะสังเวทใจบรรลุเป็นพ้าอารหันเลยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยลําดับนั้นอีกคนหนึ่งก็อาบน้ําแล้วก็มากล่าวกับกว่าเ อ, อ้อมาเถอดสหายเรากลับบ้านกันเถอะก็บอกว่าเออเธอไปเถิดฉันไม่มีใจคิดถึงเรือน เราเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกเออพระปเจกพุทธเจ้าไม่เป็นเหมือนท่านหรอกครั้งนั้นก็บอกเออแล้วพระปเจกเป็นยังไงอ่ะก็บอกพระปเจกทั้งหลายก็มีผมเพียงสององคุรีคือผมเนี่ ย, ยาวไม่เกินสององคุรีครองผ้าย้อมน้ําฝาดพากันอยู่ณเงื้อมเขานั้นท่ามูลกะในป่าหิมพานต์ตอนเหนือนู้นเพราะฉะนั้นท่านรูปศีรษะในบัทนั้นนั่นเองเพศค า, ารวาสของท่านก็อันตรธานไป กลายเป็นครองผ้าสองชั้นที่ยอมแล้วค่ารัตประคตเช่นกับสายฟ้ามีจีวรเฉวียงบามีสีเหมือนแผ่นครั่งหอมเฉวียงบาไว้แผ่นข้างหนึ่งมีผ้าบางสกุลจีวรเนี่ยสีเหมือนเมฆผ้าอยู่บนบาเบื้องขวามีบาดินสีเหมือนแมลงผู้คล้องอยู่ที่บ่าซ้ายแล้วท่านก็สถิตอยู่บนอากาศอธิษฐานจิตปุ๊บเหาะ อ, อยู่บนอากาศเลยเพราะบรรลุปเป็นท่าประเจกกับผู้ท้เจ้าแล้ว แล้วก็แสดงทําให้เพื่อนวักแล้วก็เหาะไปที่เงื้อมเขานั้นท่มูลกะาะบรรลุเป็นพระประเจ ง, ง่ายๆยังเนี่ยนะกคนมีบุญไม่ยากหรอกทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกมีกุดุมพีคนหนึ่งอยู่ในแคว้นกาศิกขามนั่นแหละ